ตอนนี้ก็ขอบรรดาท่านไหลายมาพบกับจูไยเพราะว่าจุูไรนี่หายหน้าให้ตาเป็นนานทั้งนี้ก็เพราะว่าเคยกาลังเร่งรัดในการทํากรรมฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังเรียนองค์สือทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันโอกาสจะไม่ค่อยจะมีมาคุยกันแต่ว่าวันนี้จูไยว่างพอมีโอกาส ก็ขอนำเรื่องราวของจุไรมาเล่าโส่กันฟังดังนี้เมื่อวันที่17สิงหาคม2532จุไลไรพร้อมกับบิดาและมันดาได้พากันไปที่วัดท่าสงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันนั้นเป็นวันแรกที่วัดท่าสงทําการเปิดวิหารรอยเม็ร เพื่อฝึกประกรกมฐานเธอกับมารดาและวีดาทังสามคน <c oughs> เมื่อได้มีโอกาสบำเพ็ญ อ, อุศนเบื้องต้นในห้องรับแขกแล้ว <c oughs> ก็ตามพระไปที่วิหารร้อยเมตรทันถึงวิหาร100ร้อยเมตรก็นึกเอกใจว่าเอวิหารที่ทุกๆแห่งเขาไม่มีกระจก แล้วก็พื้นในความจริงถ้าพื้นเป็นหินอ่อนนั่เป็นของธรรมดาแต่ว่าวีาวหารหลังนี้ก็แปลกใช้หินอ่อนแผ่นเล็กๆเธอทราบจากประบอกว่าหินอ่อนแผ่นเล็กๆ ก, ก็เป็นเศษจากหินอ่อนแผ่นใหญ่แต่ว่าราคาถูกลงมาทั้งนี้เพื่อนมีเนื้อที่หลายพันตาตรางเมตร ในเมื่อมีหน้าที่มากก็มีความจำเป็นเองต้องใช้ของทราคาถูกทั้งทั้งที่คิดว่าถูกราคาก็ล้านเศษก็เป็นว่าเธอได้เข้าไปภายในวิหารร้อยเมตรอันดับแรกก็ตกตะลึงเพราะภายในมีไฟช่อเต็มราวสว่างสวมากจนทั้งเสาก็ดีฝาก็ดีเพดานก็ดีแพร่พราเป็นระยับ ซึ่งไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนต่อไปก็มีโอกาสเป็นมัชฌิการพระพุทธจินราชจเป็นพระประธานหน้าตากแปดศอกและข้างๆนั้นก็เป็นห้องพระบรมสาลีนกน็ท่ายนรมัสการด้วยขณะที่ไหวพระบัจเจมพระพระพุทธจินนราชก็ดีหรือว่าไหวพระบรมสาลีก็ท่าสารีกท่าย ก, ก, ก็ดีจิตใจก็เพิ่มดีติมีความเ อ, อิ้อติงซึ่งใจ ต่อมาก็เวลานั้นก็ถึงเวลาเจริแนะนากรรมฐานพอดีเพราะว่าท่านที่มาท่านหลายทายกันถวายสังฆทานเสร็จเจกอ ก, กบ็บอกแม่บอกแม่คุณแม่จาขาเวลานี้หลวงปู่จะสอนกรรมาฐานแล้วในขณะที่แม่กับพ่อได้ฟังก็ต่างคนต่างมารวมกันที่เขาเจริญกรรมาฐาน วันนั้นจุไรเธอแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องกรรมฐานเพราะว่าลุงโปเธอบอกว่าลุงโปสอนกรรมฐานวันนี้แปลกเพราะการสอนกรรมฐานไปก่อนๆถ้าดิเคยฟังมาไม่มีพระสูตรแทรกแต่ว่าวันนี้มีพระสูตรแทรกและเป็นพระสูตรที่มีความสงคัญแปลกกวอย่างอี้ อ้างอิงถือว่าทานเป็นปัจจัยให้ได้ฟาหารในเบื้องนาแต่หมายความว่าใช่ก่อนน้อยเคยให้ทานมาผลของทานเป็นปัจจัยให้สำเร็จราัรในชาติแต่ว่าท่านผู้นั้นในท้องเรื่องของนิทานก็มีควา ม, มว่าท่านเป็นคนฆ่าสัต์เชื้อฆ่านกดักนกยิงนกตอนนกเอามาขาย <c oughs> ถ้าวันไหนเหลือ ก็เก็บไว้วันพรุ่งนี้ย่างไว้ถ้าเหลือมากๆย่างมั่งเก็บเป็นมั่งเวลาเก็บเป็นเป็นก็เกรงว่านกจะบินหนีไปหักแข้งนกจะบ้างหักกระดูกปีกด้วยบ้างปล่อยนกแล้วความทรมาณเจ็บปดท่านก็ไม่รับรู้เป็นแต่เพียงว่าท่านต้องการว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเนื้อสดของนกขายก็แล้วกันบาปของท่านขนาดนี้ความจริงๆแล้วก็ต้องลงอบายภู ในเมื่อจุลัยเธอฟังไปเธอก็คิดต่อไปพระคือหลวงปู่ท่านก็นบอกว่าโดยเฉพาะบุคคลคนนี้เขาออกชื่อ <c oughs> นึกชื่อออกว่าท่านติดสะต่อมามีชื่อต่อข้างหน้าว่าปูติคัตก็รวมไปชื่อเดียวกันว่าปูติคัติดสระย่งแปลเป็นในความว่าท่านปูติคัตที่มีร่างกายเนา่า เมื่อนโพดีคัดมนร่างกายเน่ขนาขณะที่เป็นในพรานนกฆ่านกทุกวันเป็นประจำเพราะเป็นอาชีพประจำจะได้ว่ามาวันหนึ่งมีพระระหันต์มาบินาบาต ท, ท่านก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระระหันต์แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีบาปสร้างบาปทุกวันจะว่าวันนี้พระธรรมสวดก็ขอทําบุญสักครั้งหนึ่งจิงนิมนต์พระท่านหยุด ก็รับบาด ท, ท่านมาก็สั่งคนในบ้านบอกว่าให้แกงทำแกงทั้งกับข้าวให้อร่อยที่สุดใเนื้อนกเมือ่อทำเสร็จแล้วก็ใส่บาดพระไปท่านตามที่รับคำแนะนำมา น, นั้นบอกว่าพระสมเด็จพระผู้มีพระภ่าแก้วสงัดซจ่งพระถามว่าท่านภูติฮัตทำบาปอะไรมาไว้ ร่างกายเขาปฏิคัดจิงเน่ากระดูกก็แตกร่างกายเขเน่าเดิมทีเป็นตุ่มเล็กเล็่วตัวหลังจากนั้นตุ่มเล็กเล็กก็โตเท่าเม็ดตัวเขียวทุกหัวไม่กันด้านหลังจากนั้นก็โตเท่าเม็ดตัวเหลืองโตเท่าผล ม, ตมละตูมและโตเท่าผลส้มจะรวมความว่าโตเต็มที่ก็แตกเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวเน่าลุกไม่ตื่นต่อมากระดูกของร่างกายก็แตก รับทุกขเวทนามากพระถามว่าท่านปูดีคัตทำบาปอะไรยังได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ตอนนั้นตามคำสอนของพระพระท่านก็ บ, บอกว่าท่านปูดีคัตเดิมทีเป็นพระนกตจำกล่ามาแล้วก็บาปฆ่านกบาปหักกระดูกนกโดนหักแข่งหักขาหักกระดูกตีจะได้บาปฆ่านกเป็นเหตุให้เป็นหนองทั้งตัว บาดพักกระดูกแข้งกระดูกขาเป็นเหตุให้กระดูกในร่างกายแตกลุกไปขึ้นมีตุกประเวทนามากจึงกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงไปรักษาพยาบาลเองแต่ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเช็ดร่างกายที่เปื้อนไปด้วยน้ำเลือดดำเหลืองแห้งดีแล้วร่างกายคือก็เบาจุลไยดินพระท่านแนะนำคือหลวงปู่แ น, นะนําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าติดสั ร่างกายของเธอนี้ไม่นานนักก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็จะเเป็นร่างกายก็ร่างกายนี้จะเป็นของทับเป็นดินซึ่งไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านปูติคัตฟางอย่างนี้จิตก็จับที่ร่างกายของเราไร้ประโยชน์ อีกไม่ช้าไม่นานก็ไปมีวิ ญ, ญญาณไปปราบแล้วคือวิ ญ, ญญาณออกแล้วเมือ่อวิญญาณออกไปร่างกายนี้ไม่มีใครเขาต้องการไม่ว่าศพไหนทั้งหมดทเธอจะคิด ต, ต่อศพทุกศพขนาดที่มีชวิตอยู่จะรักกันแสนรัขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อกลายเป็นศพแล้วทุกคนก็ส่งศพเข้าวัดบ้างส่งศพเข้าโรงเยาว์บานบ้างส่งศพเข้าหลงฝังศพ บ, บ้างส่งศพไปเผาซื้อบ้าง รวมความว่าความรักเดิมไม่มีความหมายเฮ้ก็คิดตามในเมื่อเอป็นปุตติคัตคิดตามอย่างนั้นแล้วในที่สุดท่านก็ บ, บรรลุอรหันต์พ้องมไปสมิทายานและในเวลาเดียวกันนั่นเองก็นิพพานต่อมาพระก็ถามว่าเมื่อพระถามพระพุทธเจ้าตอบว่าปุติคัตที่มีร่างกายกระดูกแตกมีเน่าก็ฆ่านนกกระถางกระดูกลกพระก็ถามต่อไปว่าเพราะอะไร เวลา น, นี้พระปุติคัตไปไหนพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าท่านปุตติคัตไปนิพพานแล้วก็ถามว่าปุตติคัตป่วยขนาดนี้แล้วก็ไปนิพพานได้อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมัยช่ายก่อนทำอะไรไว้พระอเขาข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายในสมัยช่ายก่อนเมื่อปุตติคัตเป็นชายข้านก เวลานั้นได้ถวายอาหารกับประสงค์อิ่ครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าในชีวิตของเขานด้ถวายครั้งเดียวอาศัยที่ทานถวายแก่พระหัต์ครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้ปุถีคัตไ้เป็นพระหัต์ในชาตินี้และปะัจจัยเมื่อจุลัยเธอฟังฟังก็หนักใหญ่เพราะว่าคาว่าทานนีเธอยินสัทเทหรือว่าทายกตัด ในคนที่มีความรู้ธรรมะทั้งหลายเคยพูดกันบอกว่าขึ้นชิวะทานอย่างเดียวไม่สามารถจะไปนิพพานได้แต่ว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงยินยันว่าอาศัยอานิสงค์ของทานไปนิพพานได้แต่ในเมื่อเธอคิดตามแล้วก็คิดคิดว่ามันเราเป็นเรื่องเป็นเด็ก นั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคิดว่าทานปานิี้านไม่ได้ตอนนี้พระท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นิพพานอะประทานบริพานได้อันสงของทานหลังจากฟังแล้วคือก็เล่าให้แม่ฟังตามความคิดเห็นต่อมาก็ถึงเวลาเจริญกรรมฐานในเมื่อพระท่านให้สัญญาณบากว่าเวลานี้เป็นเวลาเจริญกรรมฐานแล้ว ทุกคนที่มาฝึกใหม่ก็เข้าห้องคนที่ฝึกเก่าได้แล้วยังไม่เข้าขก็เข้าห้องซ้อมคนที่ได้แล้วรู้สึกว่ามีการเข้าตัวก็อยู่ห้องโถงนั่งกันตามแบบสาบายเสาเยอะตอนคนเสาไปหินหล่อนแปดเหลี่ยมต่อคนเข้าไปก็เป็นกระจกเงาแพรวปรายบดยับแต่ถ้าว่าจุไยเธอเป็นเด็ก เป็นเด็กอายุจะเพียงห้าปีเศษเศษเศษและเจ็ดปีมองหน้ากันแล้วก็ไม่แน่ใจนักนายุเธอก็คิดว่าคนอย่างเราถ้าจะเพียงสาวเดยกก็จะหาว่าเป็นคนแก่ในที่สุดก็ไม่เพียงสาหันหน้าไปตรงพระพุทธินราชลืมตาจับจำภาพพระพุทธชินราชช่นใจ เป็นบายจิตหลับตานึกภาวนาถึงอับตานึกเตืภาพพระพุทธเจ้าติดตาเห็นสภาพชัดเจนแจ่มใสมากแล้วก็หลับตาภาวนาภาวนาคถาภาวนาก็ไม่จำกัดแต่ว่านั่นรู้สึกว่าจุลัยเคยภาวนาวณมะปะทะาะเป็นคําับรมภาวนาของมโนยิทธิความจริงมโนยิทธินี่ต้องผัวเขาจุลัยเคยบอกว่า คำภาวนานะี่ยมีเยอะไม่มีการจํากัดเฉพาะนามะวัฒน์แต่ว่าท่านพิสุทธิ์แล้วหรือว่านามะวัฒนนี่มีการคล่องตัวและแจ่มใสยึ่งนำมาสอนพุทธบุตรจับความจริงกระถาอย่างอื่นก็ใช้ได้มีเยอะหลายสิทอย่างเมื่อเธอจับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาตามแล้วก็คิดตามหยุดภรณนาคิดตามว่าตามสภาวติวธรรมดา พระปังเสกุลค น, คนตายว่อนอิจาประสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้นหลายไม่เที่ยงหนอปุปฟาธวัยธรรมนิโนเมื่อเกิดขแล้วก็เสือ่อมไปปุปราชิตวานิรุจันติเมื่อเกิดขแล้วก็ดับไปคือตายเตสังวูปะมโมตุโขการเข้าไปส ง, งบกายนั่นเชื่อเป็นสุด น, นี่เป็นคาถาภาวนาสำหรับคนที่ตายแล้วที่จะบ แต่ว่าคาถาปังสกุลคนตายาอาจิรังปัตยังกายโยแต่ว่าแปลาตามความหมายเข้าจริงว่าไม่นานนักหนออไม่นานนักเคื่อร่างกายนี้จะมีวิญ ญ, ญาณไปปราศแล้วก็เหมือนกับของที่เราทิ้งมันเคยเป็นของที่บุคคลทุงทอดทิ้งไม่ต้องการเหมือนกับท่อนไม้จิไรประโยชน์เหสื่อใจความด้วก็แปลกใจว่าปังสกุลเป็น ก็น่าจะประสิิ์คนให้บุคคลนี้มีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความเป็นหนาสมบวังสอดแันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระก็ บ, บอกว่าอีกไม่นานนั้นเคยจะตายแล้วแต่ในฐานะที่เป็นเด็กก็ไม่อยากจะคิ้งครับก็เลยน้อมมานึกถึงว่าใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายมีไหมก็เือกันทึกว่าเธอยังไม่ตายายูไลยังไม่ตาย คุณพ่อยังไม่ตายคุณแม่ยังไม่ตายคุณปู่คุณย่า ย, ยังไม่ตายคุณยายคุณตายยังไม่ตายแต่ว่าคุณพ่ดตายจะไปดูเด็กรุ่นน้องข้างๆบ้านเขาตายไปก่อนหลายคนก็เลยคิดตามความเป็นจริงว่าเราก็จะตายเหมือนกันถ้าเราจะตายจริงๆเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนไปสวรรค์ชั้นดาวดินก็มีสนุกสนานมากนาไป ทันยามาก็น่าสดมนบ้างเจริญกรรมฐ า, านบ้างฉันดูติดจะไปเรื่องเของพราะโพดิสัตท่านนิ ม, มาทัาดีก็เป็นหน้าที่ของเทวดาทิ่ระมิรต่างๆ ท, ทัานประนิมก็มีอำนาจมากแต่ด้วยว่าจิิงๆแล้วก็ไม่น่าไปเพราะทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเทวดาก็ติดน่าจะไปนิพพานมากกว่า แต่ก็คิดว่านิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็วงปู่เคยบอกว่าให้ตั้งใจไว้กัแล้วกันว่าจะไปนิพพานเวลานั้นเธอก็ตั้งใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรนิพพานเมื่อ น, นั้นเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าในเวลานั้นภาพพระพุตธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธินิราชเป็นปูนอยู่เวลาที่เธอเดินภาวนาและคิดอย่างนี้ใจก็จับนึกถึงภาพพระพุทพระพุทธินราชไปด้วย เป็นอันว่าพระพุทิเราองค์นั้นค่อยๆมีเนื้อปรากฏขึ้นเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าเป็นพระที่สวยมากผิวพันผ่องใสจีวรก็สวยหั้สมีกายก็กสวยลุกขึ้นจากแข่นก็บอกก็เธอว่าออกมาจากอกตามความรู้สึกของเธอคืออกไปจากอกของอกมันแหวกขึ้นออกไป เอาไปยืนข้างๆท่านแต่ก็บอกมีร่างกายเดิมมันนั่นนั่งตรงนั้นนะร่างกายที่มีเนื้อมีหนังที่เราคิดว่าไม่ชามันจะตายแนละ้วมันนั่งตรงนั้นเวลาที่เราออกมาแล้วมายืนตรงนี้ร่างกายมีสภาพมันร่างกายตายต่อไปนี้ร่างกายมันจะเป็นยังไงให้ไปเรื่องของร่างกายเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีกว่ามานั่งเฉยๆที่นี่สุไรก็กราบท่าน ก็เลยบอกว่าถ้าพระผูมีพระภาคเจ้าจะไปทางไหนจุเัยไปด้วยเจ้าข้าก็เป็นนั้นว่าพระจึงก็ค่อยๆพาลอยขึ้นไปอย่างช้าๆคําว่าช้าๆก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสองนาทีถ้าคําว่าเป็นไปเร็วๆคนนี้ปั๊บมันถึงปุ๊บค่อยๆลอยขึ้นเบือากาศจะไปใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีทุกทีคนที่สุดกระสงดนดวงจันทร์ ยุไลเธอก็สงสัยว่าพระท่จะพามาดงจันทรทำไมดงจันทเนี่ยเป็นของเก่าเต็มทีแล้วเวลานี้ใครใครก็มากันได้ฝรั่งมาตั้งสถานที่ต่างๆมาเที่ยวกันเป็นนั้นว่าฝรั่งที่มาเที่ยวกันก่อนๆเขาถ่าย อ, อุจจาระปัสสาวะไว้ที่ดงจังนทั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็คิดว่ามันเป็นของเก่าแต่ว่าไม่กล้าฝืนพระต้องไปพระเพราะเธอมีความเคารพ ในที่สุดพระึงฆ์พาลงไปหยดที่พื้นผิวของโดนจันท่านถามอะไรว่าหลานลักโดนจันนี่มีอะไรแปลกประหลาดบ้างไหมจุไลเธอก็ดูไปรอบๆอบเธอก็บอกว่าตามปกติที่มาโดนจันก็ไม่เคยไปเที่ยวคร บ, บริเวณของโดนจันไปเฉพาะจุด แต่ว่าสําหรับประถานที่นี้ไม่เคยมาท่านก็บอกว่าใช่ที่ตรงนี้หนูไม่เคยมาแล้ ว, วหลานไม่เคยมาจริงค้าูก่งจุ๋นหลานจุไล่ตามน้องปู่มาท่านใช้สับกับน้องปู่เหมือนกันก็เดินนุจุไลก็เดินตามท่านไปแต่เดียวๆแต่การเดินน่ะสมมติว่าเดินผิดปกติคือเท้าไม่ถึงพื้นรู้สึกว่าเดินช้าๆแต่มันไปเร็ว ก็ไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งปรากฏว่าในสถานที่นั้นมีาคันย่อมย่อมแต่ความจริงถ้าคิดตามของโลกมนุษย์แล้วมันก็ไม่ย่อมมีความกว้างประมาณ10เมตรมีความยาวประมาณ17เมตรและมีความสูงประมาณ7เมตรแล้วก็มีเสาอะไรต่ออะไรต่อข้างยอดอีกเยอะแยะอีกหลายเสา เธอก็ไปดูอาคารหลังนั้นมันไม่มีคนเลยมันมีแต่เครื่องจัดคนเธอไม่รู้เรื่องจริงๆก็แถมมีจอมีลูกตาคําว่ามีลูกตาคือมีกล้องมีกล้องส่งไปข้างหน้าแล้วก็มีจออยู่ข้างหลังแต่และกล้องและกล้องก็มีจอทั้งหมดเธอก็ไปดูจอเขาเขียนว่าที่นั่นที่นี่ที่นี่ ท, นที่โน้นจะรองความว่า อาคารหลังนี้เป็นลูกตาดูสาหรับมนุษย์สโลกในโลกสมภูรดูถ้าเมริกาดูทั้งดูทั้งยุโรปดูทั้งตะวันออกกลางตะวันออกไกลก็ตาม เ, เอเชียดูหมดภาพเห็นชัดเจนแจ่มใสามากแต่เธอก็แปลกใจว่าไม่มีคนแล้วก็ทำไมททำไมถ้าไมใครดูที่ได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระรมอารมว่าเจ้าค่ะ ไออาคารหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าคะท่านก็บอกว่าเป็นกล้องส่องดูโลกมนุษย์คือชมพูจาวีปในที่เรียกกันว่าโลกชมพูท่านก็บอกว่ากล้องอันนี้ส่องตรงนั้นส่องอันนี้กล้องนี้ส่องตรงนั้นเธอบอกชัดเนจนแจ่มใสหมดอธิบายเธอก็เข้าใจแล้วก็ดูภาพในที่สุดเธอก็ม า, มาดูภาพขีดจอเห็นชัดเนจนแจ่มใสการเคลื่อนไหวทั้งหมด ก็เป็นว่าเห็นรู้การรู้การเคลื่อนไหวของโลกทั้งโลกก็แปลกแปลกใจแต่เพียงว่าเขาอะไรเนาะก็แปลกแปลกใจแต่เพียงว่าไม่มีคนและเขาจะดูให้ไครก็เจอถามพระจะบอกว่าเขาทำมาทำไม ตาต่ก็บอกว่าไอ้ที่นี่เขาทําคนทําท่าไม่บอกว่าจะเป็นคนทําในโลกจมภูไปทําิชชาโลกวจันทร์ทํานี่ท่านไม่บอกท่านบอกว่ากล้องอยู่ตรงนี้จออยู่ตรงนี้แต่ได้ว่ายังมีจอยจอหนึ่งที่อยู่ไกลจากนี้มากคือมันไกลาจากนี้เยอะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่แล้วจุไร ย, ยันฐานเนี่ยบอกว่าแล้วมันจะไปได้ยังไงมันไกลแสงไกล คืไลถามพระเจ้ออว่าคนที่ดูจอที่สองต่อไปหรือต้นจอจอต้นนั่นเขาอยู่โลกนี้หรือโลกหนึ่งท่านก็ยิ้มแต่เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเธอจะรู้เป็ น, นเพียงพาไปดูว่าความสิ่งอิไลในด้านปัญญาของมนุษย์ไม่ชเคื่องเล็กขนาดโลกไปจันไปยังโลกชมพูเป็นของไม่ยากสำหรับการดู ในเวลานี้การไปการมาของโลกมนุษย์กับโลกจมูก็เป็นของไม่หนักฝรั่งเข้ามาได้แบบสบายๆท่านก็ให้ดูภาพข้างๆจอคือ เ, เป็นภาพเป็นภาพเล็กๆไม่ว่าเป็นภาพถ่ายก็ไม่เชิงเฮ้ยก็ดูแล้วเห็นว่าเอ๊คนโูกประจันนี้ก็ยังหมกดวงๆเหมือนกันนะเหมือนกับชาวยุโรปชาวอเมริกาของในเจ้าโลกจมูกถ้าถามเนี่ยว่าคนที่ทำพวกเนี้ย มีจมูกโด่งๆก็อยากจะทราบว่าเขาไม่ชาวเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมท่านบอกว่าที่โลกใบจันทร์เขาไม่เรียกคำว่าฝรั่งที่โลกใบจันนี้เขาก็เรียกกันตามธรรมดาธรรมดาว่าคนตั้งแตยิ่งยิ่งเมื่อฐานท่าบอกว่าอนุภาพของอาคารหลังนิสตาต่างๆแนวจะภาพประเภทไก่้างท่านก็บอกว่าเฉพาะอนุภาพของเของ สถานีสถานีนี้ไม่มีอะไรอย่างอนอกจากดูอย่างเดียวเป็นกล้องส่งรายงานไปให้กับต้นทางว่าอะไรจะเกิดที่ไหนบ้างมุมไหนของโลกชมพูใครจะทำอะไรมีการเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วก็ภาพผี่ปรากฏก็มีการบันทึกภาพไปด้วยเพื่อหมายความจุไลก็เข้าใจเพราที่บ้านจะมีตัวจะมีวิดีโอเทป ก็ค้าๆก็วิดีโอเทียบกับความจริงอาจจะไม่ใช่น้องเรียนสายเทปเองเธอก็มองต่อไปถามท่านตะบอกว่าอนุภาพในการใช้อาวุธมีไหมแต่บอกสถานีนี้ไม่มีแาะว่าสถานีนี้มีการต้องการอย่างเดียวคือกลางเคอนไหวได้แช่งแช่งเอาที่ให้ดูกไกลออกเป็นนอกบรรยากาศก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆลอยซึง่งไปตามกระแสของโลกแลอยเร็วมาก ก็ถามท่านว่านันอะไรเขาก็บอกสิ่งที่เป็นสภาพใหญ่มีทางเกิดกะนิดหน่อยอันนี้เป็นจรวดมีความเร็วสูงแต่นั้นเป็นดาวเทียมท่าทางเกี่ยงกลางมากความปิงสภาพของจรวดก็ดีสภาพของดาวเทียมก็ดีรู้สึกว่ามีเยอะแยะมีสภาพต่างๆกันทั้นถามนะว่าจรวดก็ดีดาวเทียมก็ดีเป็นของไข่ ราจังก์ก็ตอบว่าเป็นชาวโลกจำพูโลกกินหนูอยู่แล้วเธอกระถามว่าชาวโลกจมพูจะมีสิทธิ์มาจองจับจองสถานที่ที่แห่งนี้ในโลกวัจจินทีี่่ทอยู่ได้ไหมราจังก์งงก็ยิ้มเธอบอกว่านั่นเป็นความสามารถของนักวิทยาศาตร์คือไม่ไมีแม่นี่จะมีอะไรคิดหลังจากนั้นก็จะบอกว่าประเดี๋ยวก่อนนะเราหยุดก่นตรงนี้ก่อน มาสังเกตดูความวิจิตพิสดารของเครื่องบรรดับด้วยการกระทำการทาความสร้างอาคารหลังนี้เจอดูที่ว่ามันเหมือนอะไรกับโลกมนุษย์อยู่ไรก็เข้าไปดูมันก็มีเหล็กมันก็มีอะไรอะไรเหมือนก็ที่บ้านๆข้างๆบ้านก็ทํากันในหมายความเขาไม่ได้ทําระโดดไม่กับอาคารด้วยเหล็กแต่ว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของแข็งคล้ายเคงจันแล้าไปดูจอกระวนคล้ายๆกับจอโทรทัศน์ที่บ้านจะไม่คือเหมือน มันมีสภาพคล้ายคลึงกันก็กลาวเปลี่ยนว่าไอ้ น, นี่มันเหมือนกับโลกที่อยู่จริงๆเพื่อบอกว่าใช่ที่ไหนมีคนที่แน่งความสามารถจะมีเสมอกันแต่ชาวโลกพระจันทร์จริงๆอาจจะมีความสามารถมากกว่าโลกสมพูก็ได้แต่ว่าถ้าเราถือว่าชาวโลกพระจันทร์มีความสามารถยิ่งกว่าชาวโลกสมพูก็ไม่แน่นะถ้าคิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นความโงุกของเราก็ได้ เพราะชาวโลกจิมพปูถ้าไม่เก่งจริงก็ไม่สามารถมาโลกประจันได้ก็รวมวามว่าวันนี้ก็อยู่แค่สถานีแรกเพราะว่ายัางเคลื่อนย้ายไปไม่ไหๆเวลามันจะหมดอรบัรดาท่านผัวอ่านทั้งหลายเําหลักตอนนี้ก็เข้าถึงจุดจบของเวลาเวลามันหมดไปตอนที่หนึ่งพญนคอลากันกรขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์สผล ยมีแต่มนดาแต่พุทธศาสนาพิชนู้อาจจูรับฟังทุกท่านสวัสดี